b o สิบเจ็ด o สับพนามแสดงความเป็นเจ้าของสอง possessive r 2แว่นตาบริเ l ณน่เขาลืมแว่นตาของเขา เขาเอาแว่นตาของเขาไว้ที่ไหนวูดมีกริลเลสสีน้ำเงินหรือนารักนาฬิกานาฬิกาของเขาเสียนาฬิกาขอยู่บนฝาห้อง หนังสือเดินทาง passe เขาทำหนังสือเดินทางของเขาหายฮันแล้วเขาเอาหนังสือเดินทางไว้ที่ไหนพวกเขาของพวกเขา d i de ๆหาเด็กเขามาพ่อแม่ของพวกเขาไม่พบ b เขามาแแต่นั่นพ่อแม่ของพวกเขามาแล้วต่นั่นพ่อแม่ของพวกเขามาแล้วเขามานของ การเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะคุณมิวเลอร์วูดันวาร์ทูนดินพันรายาของคุณอยู่ที่ไหนคุณมิวเลอร์วูเดออาดินคูนคุณของคุณ d ีดูเดเรสดินการเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะคุณสมิธ สามีของคุณอยู่ที่ไหนคะคุณสมิตว่ารอรดินแม